แ้วคะคุณยิ่งท่านกลับมาหรื อ, อยังอะยังคะ่ะอ้าวก็เห็นท่านบอกว่าจะรีกกลับมากินข้าวเย็นกับฉันไงอ๋อท่านโทรมาตะกี้นี้นะคะโทรมาว่าไงฮะก็โทรมาบอกว่าถ้าคุณยิ่งกลับมาให้บอกว่าไม่ต้องรอทานข้าวทานไปได้เลยท่านอาจจะกลับดึกสักหน่อยนะคะอืมเออคุณยิ่งคะอือคุณยิ่งคิดเหมือนแฉวไหมคะฉัจะรู้หรอว่าจ้าคิดอะไร อยู่ก็มาถามฉันว่าคิดบหนเธอหรือเปล่านี่ฮะก็แจ๋วกําลังจะบอกอยู่นี่ไงล่ะค่ะอ้าวกูว่าไปสิท่านน่ะน่าจะมีอีหนูอยู่ข้างนอกนะคะมีนางแมวป่าล่าสว่าดเพื่อล่อเหยื่อมาติดกับจากนั้นก็จะตะครุบเหยื่อชนิดที่ดิ้นให้ตายก็ไม่มีวันหลุดนะคะแจ๋วเธอคิดได้ไงล่ะเนี่ยทาไมล่ะคะความคิดของแจ๋วน่ะเยี่ยมมากใช่ไหมล่ะคะเป็นความคิดที่โง้อที่สุดต่างหากล่ะแจ๋วโธ่คุณยิ่งน่ะ เรื่องอะไรมาว่าแจ๋วโง่ละคะงอนเรานั้นเนี่ย <c oughs> ก็มันจริงไหมละ่ะไม่จริงหรอกคะ่ะแจ๋วน่ะฉลาดเป็นกรดช่นะั้เาเถอะเอาเะยอตัวเองก็เป็นด้วยนะแน่นอนอยู่แล้วไม่มีใครยอ ก, ก็ต้องยอตัวเองละคะ่ะ <c oughs> ไม่ต้องสำนักท่านแจ๋วอ้าวคุณยิ่งหิวแล้วหรอคะครูสารีบกลับมาเพราะอาจารย์ท่านนับธรรมคาเขาเย็นด้วยกันน่ะก็นี่แหละท่านโทรมาบอกเมื่อกี้นี้เองละค่ะไเป็นไรกินคนเดียวก็ได้จะกินคนเดียวจนชินแล้วล่ะโธคุณยิ่ง ตั้งแต่คุณหญิงจากไปบ้านช่องก็เลยดูเหงาเหงายังไงก็ไม่รู้นะคะไม่มีอะไรหรอกอย่าคิดมากสิแจวก็พยายามจะไม่คิดแล้วนะคะแต่ก็อดคิดไม่ได้ค่ะอืมไตัองสำรับเธอค่ะค่ะจะไปเดี๋ยวนี้ละค่ะ แลค่คุณยิ่งถูกปากสิปา้าถูกปากแล้วทําไมคุณยิ่งที่ได้เหมือนไม่อยากทานล่ะคะไม่รู้สินะอยู่ๆก็ถึงคุณหญิงแม่ขึ้นมาซะอย่างนั้นน่ะนี่นางแจว้วขาป้าแกไปพูดอะไรให้คุณยิ่งฟังฮะแจ้วเปล่านะคะป้าเปล่าได้ยังไงก็ไม่เห็นเหรอคุณยิ่งน่ะฉันดูซมไปเลยเห็นมะเห็นไหมแจ้วไม่เกี่ยวนะคะป้าไม่เกี่ยวจริงๆค่ะ ยิมองแจ๋วเหมือนแจ๋วเป็นจำเล ย, ยนั้นสิคะท้อนี่แกจะต้องพูดอะไรไม่เข้าหูคุณยิ่งแน่ๆเลยใช่มหมอย่าไปโทษแจ๋วเลยป้าทําไมล่ะคะก้อนแจ๋วมันแจ๋วไม่ได้พูดอะไรหรอกป้าเหรอคะคฮะผมคิดไปเองอ่แหละผมเห็นผัดเปรี้ยวหวานจานนี้แล้วก็คิดถึงคุณหญิงแม่ขึ้นมาซะอย่างนั้นนะป้าเออถ้าอย่างนั้นป้าขอโทษนะคะขอโทษนะค่ะขอโทษใครอะฮะก็ขอโทษคุณยิ่งยังไงล่ะคะ นี่ป้าจะมาขอโทษ เ, เรื่องอะไรอะฮะเนี่ยก็ขอโทษที่อุตริผัดเดี่ยวหวานขึ้นมาทาั้งทั้งที่รู้ดีว่ามันเป็นอาหารจานโปรดของคุณหญิงเออป้าสับเพ่าเองล่ะค่ะขอโทษจริงๆนะคะยกโทษให้ป้าด้วยนะคะคราวหน้าป้าจะไม่ทําอย่างนี้อีกแล้วล่ะคะ่ะมันไม่ใช่ความผิดของป้าซะหน่อยป้าจะมาขอโทษผมหรอกทำมาแต่ฮะของชอบของคนหญิงแม่น่ะถ้าผมกินทุกมื้อเลยยิ่งดีนะป้าอ้าว เพื่ออะไรคะผมจะได้ะระลึกถึงพระคุณคุณหญิงแม่มากๆไงล่ะฮะคุณหญิงแม่เปลี่ยนเสมือนแม่แท่ๆของผมเลยไม่ว่าจะมีกับข้าวที่เป็นของโปรโดของคุณหญิงแม่หรือไม่ผมก็คิดถึงท่านไม่ได้ละฮะป้าโถคุณหญิงของป้า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 เด็ดเน่านั้นหายไปอบอุ่นใจก็เพราะเธอเธอคือคนที่ฉันต้องการเธอคือแสงที่ส่อง p ม่พบอะไ t ที่ด ท, ทให้ใจมีความหวัง ห, หรือความรัช่วยเข้ากัใจของฉันดูบาให้ได้ ที่คนหามาเนื่อน้ำที่ฉันต้องการนั้นรออยู่ที่ใดซึมซึมเพลเลำพังนั่งอยู่ที่ตรงนี้รอคอยไม่รู้วันใดจะพ้นไปสักที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 สิ่งที่คนหาม a n นิ่นนานที่ฉันต้อ ให้ไ a y ร u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 ที่ตัวฉันจะขอแค่เพียงเธอที่ทำให้ฉันรู้ว่า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 ขอสายให้ทฝนด้วยฮะห้องไหนคะ327สฮะ ส, สักครู่นะคะจะโอนสายให้เดี๋ยวนี้แหละค่ะขอบคุณครับฮัลโหลพี่เองนะฝนอ๋อพี่ยิงนั่นเองนึ้ว่าใครเะอีกนะคะแล้วมีใครโทรมาบ่อยๆหรือไงล่ะฮะ ฝนไม่ใช่คนขี้เร่จนหาผู้ชายมองไม่ได้นี่นาเอออย่าใจอ่อนกับใคร ง, ง่ายก็แล้วกันก็พี่ผู้ชายจนะคบได้แต่ ถ, ถ้าคิดจะเขาเป็นแฟนแล้วล่ะก็แก่ดีๆนะอย่จะเสียท่าคนหลอกลว ง, งจะต้องมา น, น, นั่งเจ็บใจทีหลังนะเดือนนั้นไม่ต้องห่วงแล้วคะ่ะฝนจะมีสติอยู่ตลอดเวลาพยายามทบทวนคําสอนของพระเจ้านะรู้หรือเปล่า <S <S อ่ะขามีคําอะไรอ่ะพีิ่งนีอ่ะหายใจเข้าออกเป็นพระเจ้าหมดเลยนะคะ อา้าวแลไม่ดีหรือไงพระเจ้าต่อให้เราทำแต่สิ่งดีๆมีความคิดความอ่านที่ดีเข้ารู้จักการให้อภัยฝนก็ไม่ได้ว่าไม่ดีสักหน่อยดิคะก็จะพูดทําไมอ่ะแค่เราเล่นเท่านั้นเองเออแล้วตอนนี้เธอมีคำภี์ของพระเจ้าพกติดตัวหรือเปล่ามีสิคะแต่ว่าเป็นเล่มเล็กนะเล่มใหญ่อย่างของพี่เนี่ยไม่มีหรอกเออแต่พี่จะให้นะจริงเหรอพี่ใช่ฝนจริงๆเหรอคะก็จริงนั่นสิพี่เคยโกหกเธอหรือไงล่ะไม่เคยค่ะขอบคุณล่วงหน้านะคะอืม ทานข้าวหรื อ, อยังคะเรียบร้อยแล้วละ่นะแล้วเธอละ่ะฝฟนจะไม่ทานมื้อค่ำแล้วคะ่ะจะไหวเหรอก็ตอนเย็นเธอไปฟิตเนสกับพี่นีนาเสียงเงือไปมากซะขนาดนั้นน่ะมากินอะไรลงท้องบ้างอ่ะจะอยู่พรุนเช้าได้ยังไงฮะได้สิเฟิรนน่ะมีผลไม้ตุนเอาไว้แล้วล่ะคะ่ะผลไม้อะไรอ่ะฝรั่งค่ะของโปรดของคนอยากหุณดีนะคะมวิตามินซีสูงที่สุดเลยอืมก็ดีแต่อย่าปล่อยท้องว่างเชียวนะถ้าม่อยากเป็นโรคกระเพาะแล้วนะ่ะก็ต้องกิน กินอะไรก็ได้รู้มะเอ้าคาอะไรอ่ะก็ไปยิ่งทําเหมือนเป็นพ่อของฝนเลยนะเนี่ยฝนจะไม่ใช่ลูกพี่นะจะบอกให้อืก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นซะหน่อยที่พูดได้ก็เพราะห่วงนะเป็นห่วงไม่ค่อยได้ห่วงใครใช่มะถึงได้มาเป็นห่วงฝนน่ะที่ห่วงเพราะรักหรอกนะฝนพี่ยิ่งพูดอะไรมาก็พูดเรื่องจริงอ่ะแหมพูดแบบเนี้ยฝนก็เคินเป็นเหมือนกันนะ พี่ขนาดเขิ น, นนห่โเราะร่วนอยู่เลยอะอา้าวแล้วยายฝนร้องไห้หรือยังไงล่ะไม่ใช่อย่งั้นซะหน่อยเออพี่ยิ่งคะพรุ่งนี้พี่ยิ่งมาตอนไหนเช้ามีเรียนหรือเปล่ามีสิพรุ่งนี้ที่มีเรียนกับทั้งวันเชละแบบนี้ก็ไม่ได้เจอกันสิกลางวันเจอที่โรงอาหารก็ได้นี่ก็ได้แล้วตอนเย็นล่ะนี่ติดใจฟิตเนสแล้วใช่ไหมล่ะสนุกดีนะเรื่ศึกษาไปออกกาลังกายเยอะมากเลยไม่เหงาล่ะงั้นพรุ่งนี้กลางวันเจรที่โรงอาหารแล้วคุยกันอีกทีนะก็ได้ค่ะ เผู้โดยสารสิร่งรถของท่านกลับมาแล้วล่ะแค่นี้ก่อนนะค่ะเจอกันพรุ่งนี้นะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย เชิญตจ้ดาอขอบคุณค่าท่านขาโอ้โหหมากอดอะไรเหรอจ้ะ <c oughs> ก็บ้านช่องใหญ่เหลือเกินนะคะ <c oughs> ถูกใจใช่ไหมละ่ะถูกใจที่สุดในโลกเลยค่ะท่านขา <c oughs> อุยท่านน่ารักมากเดี๋ยอนุญาตให้ดาเข้ามาอยู่ด้วยนะคะขอหอมแก้มแทนความดีของท่านหน่อยนะคะ <c oughs> อ๋อหอมแก้มจนตรงหน้าบ้านนี่ <c oughs> นั่นเหรอเฮะไม่อายคนรถมัหรือไหน ทำไมจะต้องอายด้วยล่ะคะคนรัของท่านน่ะไม่ใช่เด็กไร้เดียงสาสักหน่อยดูจากหน้าตาแล้วนะ่ะคงจะมีเมียมีลูกแล้วล่ะอืมมีแล้วจริงจริงสายตาของดานด้เยี่ยมยอดกระเทียมดองมาแล้วค่ะท่านขายอดเยี่ยมยอดเยี่ยมมากมากจ้ะ <c oughs> ท่านขาจ๋า <c oughs> จ้ะจ๋าโอย้ยน่ารักดาจะได้เป็นคุณหญิงในบ้านนี้ไหมคะได้สิจะ้ะก็ตอนนี้คุณหญิงคนเดิมตายไปแล้ว เมื่อไรที่เธอแต่งงานกับฉันเธอก็จะได้รับการแต่งตั้งใ ห, ให้เป็นคนหญิงอย่างแน่นอนจ้าไม่ได้จริงหรือคะท่านขาจริงแท้แน่นอนจ้าไปเราเข้าไปในบ้านกันเถอะจ้าไป <as> ในบ้านหรูหราเหลือเกินแต่ละชิ้นเนี่ยคงจะแพงหูฉี่สินะคะท่านขาทำนองนั้นแหละคุณหญิงเธอชอบซื้อของตกแต่งบ้านอ่ะเอ๊ะนั่นใครคะท่านขาอ๋อแต่ยิ่งกระท่านนี่จันสุดาเธอจะมาเป็นคุณผู้หญิงของที่นี่จ้ะสวัสดีครับเราไม่ได้รับไหว้พ่อหนุมคนนั้นหรอกแกนที่ใ่เราน่ะกลับลึกไปอย่างอื่นหล่อมากมา หล่อเลืเกินหล่อจนสะกดจิตเราเนี่ยตรึงตาอยู่กับที่ฉละเราพยายามส่งยิ้มแล้วก็เล่นหูเล่นตาให้เขาเนี่ยนะถ้าอยู่หน้ากระจกเรามั่นใจว่าสิ่งที่เราพยายามแสดงออกไปเขาเห็นน่ะเขาจะต้องเข้าใจเจตนาของเราดีทีเดียวชุนแหละยังหนุ่มยังแน่นจะต้องไวไฟมากมากชละดีละต่อไปนี้เราจะได้มาเป็นคุณผู้หญิงของที่ดีแล้ว พระหนุ่มรูปงามคนนี้เจ้าไงก็นหนีไม่พ้พนเงื้อมือพิษศวาส<า>ของเราแน่นานัาเสร็จ์ฉันแน่แน่ <laughs> เอ่อเราคงมีเวลาได้คุณกัข่าวหน้านะจ๊ะครับผมถ้าทางเรียบร้อยจัง <laughs>